ยูกรณ์อนพระสมารสมุทธเจ้า99กโกดได้ตระสแสดงไว้ว่าพระธารณะปริตมีช่วยให้รู้ความคิดร้ายของผู้อื่นแล้วคลาดจากอาวุธเครื่องประหารทุกชนิดสามารถทำให้เวทมนต์คาถาศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นทงจัดปัดเป่าอันตรายจากโรคต่างๆได้รอดปลอดภัยจากโรคร้ายแรง หลุดพ้นจากเครื่องจองจำในจินนาการได้ด้วยอานุภาพแห่งสัจจะวาจานี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเก่พระเจ้าทุกเมื่อเถิ เป็นไงท่านร้อนท่านเบนนี่เป็นไงฮะท่าามตุตโตไทยเป็นไงท่านจัตตะมะโลยังอยู่ไหมอยู่ครับท่านเมติโกตอนนี้อาจ า, ารย์มโลยนู่ยเหมือนกันเนท่านเมติโก อ, อยู่วดี่โกตอนนี้อยู่มครครุัอยู่มุโตไทย ที่ที่ไหนล่ะก็ไปเที่ยวเมืองไทยนินัท่านเมติโก้ครับอ๋ออยู่เมืองไทยเมติโก้อยู่เมืองไทยเมติโกอยู่เมืองไทยแล้วท่านไปอยู่วัดป่าพรห ม, มวิหารนานเท่าไหร่เมตตาวิหารเมตตาวิหารครับ ไปอยู่ในภาษาหรืออยู่ไปอยู่นานเหรอนานประมาณ2องปีเดียวครับ2ปีเหรออืมแล้วก็ไปไปมามาที่เมติโกเอว่าเอมุตโตไทยเออตอนนั้นเราไปเดือนอะไรฮะเดือนอะไรเดือน6เดือน6กเดือนหกเนี่ยอะไรพุทธสภาพุทธสภา บรรยากาศดีมากเลยเหมือนตอน้นฤดูฝนบ้านเราทันทีของเขานี่ชุมช่มฉ่ำไม่มีหิมะนะชุมช่มฉ่ำตุนยาต้นไม้เขี้ยวชอมอมันเป็นเนินเป็นโคกเป็นดอนสวยอมลุมอมลุมอมลุมแต่ละแห่งแต่ละแห่งนะบาวาเรีย บาวาเรียรัฐบาวาเรียเทศเยอรมันบาวาเรียเยอรมันที่นู้นเขาสนับสนุนให้ปลูกป่าใครมีที่ดินก็ให้ปลูกป่าพื้นที่ปลูกป่าจะเอามาทําปลูกเป็นการเกษตรไม่ได้พื้นที่ปลูกการเกษตรจะเอาไปปลูกป่าก็ไม่ได้ เพราะที่นั้นเขาหนาวเป็นเมืองหนาวเขาต้องใช้ใช้ฟืนใช้ฟืนเผาให้ความอบ อ, อุ่นตลอดปีเมืองหนาวเมืองที่มีหิมะขึ้นน่าจะเปลืองฟื น, นมากเลยใครไม่มีใครไม่มีป่าคนนั้นก็ต้องซื้อฟืนหาซื้อฟืนฟืนแพง เยอรมนีเยอรมันีฮิตเลอร์เยอรมันีฮิตเลอร์ดังนะเขาเป็นคนเหมือนอย่างเราเนี่ยแหละแต่เขาเหยียบเขาเหยียบโลกกระเดื่องเขาเหยียบโลกมันเหยียบกระเดื่องเหยียบข้างหนึ่งโผลขึ้นข้างหนึ่งเหยียบก็หนึ่งโผลขึ้นข้างหนึ่งแต่เรื่องของโลกมันเป็นเรื่องที่ เป็นไปตามบุญตามกรรมเรื่องของโลกนั้นเป็นไปตามกรรมเรื่องของสัตว์ในโลกเป็นไปตามกรรมพฤติกรรมที่ใครแสดงออกเป็นผลิตผลของคนคนนั้นแสดงออกไปแล้วไม่ใช่จะเปล่าเฉยไม่มีอะไรตอบรับ มีกรรมตอบรับทุกคนมีใจหนึ่งเดียวสิบคนก็สิบใจร้อยคนก็ร้อยใจแสนคนก็แสนใจล้านคนก็แสนล้านใจกี่ร้อยล้านก็คือกี่ร้อยใจไม่บรรดดยใจแต่และดวงแต่และดวงเน่มีโลคมีโกรธมีหลงมีรักมีชังมีโกรธมีเกลีย มีสุขมีทุกข์มีเจริญแล้วก็มีเสือ่อมมีเกิดแล้วก็มีตายในที่สุด<ม>ทุกคนหอบอหิวกรรมของตัวเอง<ม>เรื่องของกรรมนี้เป็นหลักธรรมชาติไม่มีเที่ยวบุตรเที่ยวดาที่ไหนมาคอยให้กับเรามันเป็นหลักธรรมชาติที่เราจะต้องประสบพบด้วยตัวของตัวเราเอง การที่เราทําอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยกิริยากายก็ตามด้วยกิริยาวิจารก็ตามด้วยกิริยาใจก็ตามกิริยาที่เราทําไปนั้นน่ะมันเกิดแรงสะท้อนกลับอ่าเป็นปฏิกิริยาตอบโต้กลับโดยเหตุที่มีปฏิกิริยาตอบโต้กลับนี่เองคำที่เราแสดงไปนั้นมันเป็นการสร้างเหตุมันเกิดปฏิกิริยาตอบกลับด้วยผล ทำดีก็ได้ผลดีตอบแทนทำไม่ดีก็ได้ผลร้ายตอบแทนเหตุเหล่านั้นแล้วแต่มจะเป็นไปเพื่อความสุขก็ได้ความสุขตอบแทนถ้าเป็นไปเพื่อความทุกข์ก็ได้ความทุกข์ตอบแทนทุกมากทุกน้อยตามหนักตามเบาของบาปของกรรมหลักอันนี้เป็นหลักธรรมชาติ เขาชื่อหลักธรรมชาติเนไม่ได้อยู่ในความนึกความคิดของใครหากได้รับผลโดยหลักธรรมชาติไม่มีใครนึกว่าไม่มีไม่มีแล้วก็สิ่งเหล่านั้นจะไม่เปลี่ยนไม่ใช่ไปตามนักความนึกความคิดของเราเป็นไปตามความให้ผลของหลักธรรมชาติ ด้วยเหตุที่เราไปบังคับไปบงการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ตามใจหวังของเรานั่นเองหากได้ตามอํานาจของกรรมไม่มีดอกที่คนไปทําชั่วแล้วไม่ไม่อยากได้ผลชั่วไม่มีไปทําชั่วแล้วอยากได้ผลชั่วนั้นไม่มีแต่ไม่มีใครอีกเหมือนกันที่ไปทําดีแล้วไม่อยากได้ผลดีไม่มี ผลดีทั้งผลไม่ดีมันเป็นเรื่องของกรรมดีมันเป็นเรื่องของกรรมชั่วใครต้องการก็ตามใครไม่ต้องการก็ตามทําลงไปแล้วมันเป็นการสร้างเหตุผลหากตอบกลับมาโดยหลักธรรมชาติเราดูอย่างนี้เราพยายามศึกษาอย่างนี้เราจะเข้าใจเรื่องกรรมแล้วเราจะไม่ทิ้งหลักเพราะเรื่องของกรรมนั้นเป็นหลักสัจจะธรรมสัจธรรมสัจธรรม เกิดแก่เจ็บตายเป็นหลักของสัจธรรมมีสุขมีทุกข์เป็นหลักของสัจธรรมมีสุขก็เพราะมีเหตุสร้างให้เกิดความสุขมีทุกข์เพราะเหตุมีเหตุพันธุ์ให้เกิดความทุกข์เหตุที่พันธุ์ให้เกิดความทุกข์ได้รับความทุกข์สิ่งเหล่านั้นท่านเรียกว่าเหตุให้เกิดทุกข์ในหลักท่านเรียกว่าสมุทยัยสมุทยัยพฤติกรรมการปฏิบัติทุกอย่างทุกแห่งของเรื่องของสังขาร มันเป็นเรื่องของสังขารทั้งนั้นเรื่องของกองสังขารนมันเป็นเรื่องของกองทุกเรื่องของกองทุกมันเป็นเรื่องของกองสังขารไม่มีกองสังขารแม้กองเดียวที่จะประสิท์จากความทุกไม่มีความทุกใดๆที่จะประสิทธ์จากกองสังขารกองสังขารเป็นสิ่งรวมเป็นสิ่งปรุงเป็นสิ่งประกอบนับตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปเป็นกองสังขาร คืนชื่อว่ากองสังขารสิ่งที่มีลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาก็มีอยู่ในนั้นเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าท่านอามาแสดงมาสอนมาบอกวเราให้เห็นลักษณะที่เป็นทุกข์เป็นโทษแต่เรามองเห็นได้ยากถ้าเราไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมถ้าเราตั้งใจปฏิบัติธรรมเราจะมองเห็นได้ง่ายเรารู้ยิ่งเรารู้จักทุกข์รู้จักสมุทยัยเห็นได้เกิดทุกข์ รู้จักนิโรธคือข้อปฏิบตัติคือดับทุกข์ได้จริงแล้วก็รู้จักหนทางปฏิบัติเพื่อเพื่อดับทุกข์ด้วยแล้วเรารู้ช่องทาง ร, ารู้วิธีที่เราจะต้องแก้ไขสมุทัยคือเหตุที้เกิดทุกข์ทั้งนี้ไม่ใช่จะแก้ไม่ได้ถ้าแก้ไม่ถูกแก้เท่าไหรก็ยิ่งมัดแก้เท่าไรก็ยิ่งมั ด, แ, มดแต่ถ้าแก้ถูก แต่ผู้ที่แก้ทูนั้นเป็นผู้ฉลาดคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุท ธ, ธะแก้ทูได้ด้วยความสามารถอ่าราด้วยบุญญาบารมีไม่ใช่นึกคิดหลับตื่นลืมตาขึ้นมาแล้วก็แก้ได้แล้วก็ทำได้ตั้งใจบำเพ็ญบารมีอย่างยิ่งยุ้วดเป็นอสงไขยอสงไขยแปดอสงไขสี่อสงไขยแปดอสงไขสิบหกอสงไ ข, สงไขแสนมหากัา เป็นระยะเวลาที่เนิ่นนานต้งสางบุญญาบารมีคอยได้คอยได้คอยได้คอยได้เสียสละทานมากน้อยเท่าไรคอยได้คอยได้เพื่อแรกกับสิ่งที่เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดที่คือโลกุตตรธรรมโลกุตตรธรรมทำที่พายพ้นจากโรกเกิดแก่เจ็บตายเปื่อได้แรกกับสิ่งเหล่านี้ได้เสียอะไรมากน้อยเท่าไรในส่าน เสียทรัพย์สมบัติภายนอกสมบัติจักรพัททั้งหลายทั้งปวงเท่าไหร่เสียสละได้หมดเพราะนั้นแล้วไม่พอต้องเสียสละอวัยวะก็ต้องยอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิตก็ต้องยอมคอยได้คอยได้คอยได้คอยได้นี่จิตใจที่แข็งแกร่งเด็ดเดียวยิ่งกว่าเพชรแข็งแกร่งยิ่งกว่าเพชรไม่มีเปลี่ยนเนื่องจากว่า การตั้งตนไว้ชอบอัตตสัมมาปฏิทิภอะไรเป็นคนบ่งบอกอะไรเป็นผู้บ่งบอกธรรมะที่พึ่งเกิดขึ้นมีขึ้นอยู่ให้ใจมันเป็นเครื่องกระสิบกระราบย้ำเตือนอย้ำเตือนย้ำเตือนว่าวิธีการนี้แหละเป็นวิธีการที่เด็ดเป็นวิธีการที่เด็ดขาดตั้งใจบำเพ็ญบารมีให้ได้อย่างนี้ให้ได้อย่างนี้อบำเพ็ญให้ได้ยังไงบำเพ็ญให้รู้รู้ความเป็นไปของสังขาร ในสุดพรองคก็รู้จนได้ไหมเข้าไปรู้เข้าเห็นกองสังคามโอ้กองสงครามทั้งหลายทั้งปวงนัเป็นทุกข์เนาะกองสังคามเหล่านั้นไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆเกิดขึ้นจากเหตุเหตุก็คือกิริยาของใจทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นดํางดิแล้วก็ไปสร้างและก็ไป ท, ำทํำจิตวิทยาสมุทยัยไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆเกิดขึ้นอย่างมีเหตุที่เรียกว่าสมุทยัยสมุทัยก็คือเหตุให้เกิดทุกข์นั่นเอง สรุปมาที่ความอยากนะตะล่ามาที่ความอยากการตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความดิ้นรนเที่ยวทะยานของผู้รู้ของเราไม่มีโจบไม่มีสิ้นี่เองทําให้เราต้องได้เอทยานไปเกิดที่นู่นไปเกิดที่นี่ตามอํานาจของความอยากเราพูดมากมายอย่างนี้แล้วเราจับเราพยายามจับเป้าประสงค์จับไปที่ที่หมด จับปที่จับไปที่ศูนย์ของปลายเข็มที่เล็กที่สุดคือความอยากเป็นเหตุให้เกิดตามความอยากก็คือตัณหาตัณหาคือความอยากความริ้นรนความเสยาติยานความอยากในใจของเราหากมันมีเกิดขึ้นมาตามหลักธรรมชาติเกิดเราได้ทารู้ท่านไม่รู้ขึ้นมาแล้วหากมีทารู้ มีความรู้บันดาลให้เรามีความอยากอยากดิ้นรนอยากไม่จบในสิ้นนี่คือตัณหาไม่ใช่ท่นพูด ล, ล้อยๆนะเราพยายามดูมาที่ใจของเราเราจะเห็นนี่แหละจะตัวความอยากนี่แหละจะตัวความอยากพฤติกรรมใดๆป้างที่แสดงออกมาที่กายกรรมวิจีกรรมวโนกรรมของเราพฤติกรรมนั่นแหละหากโผลมาด้วยความอยากอยากความอยากในใจของเรา ไม่ใช่ความอยากจะเป็นสมุทยทั้งหมดความอยากที่เป็นมร์ ก, ก็มีความอยากที่เป็นสมุทยก็มีดูไปทิหลักอริยสัจสี่อยากดับทุกข์นั่นนะเป็นมร์กอยากดับทุกข์เกิอะไรทานศีลภาวนานี่เป็นเป็นมร์เป็นข้อปฏิบัติอยากเพื่อเกิดตัณหาราคะอิจ า, าริียพยาบาท เกิดความโลภเกิดความหลงโกโรธความหลงตามมาอันนี้เป็นเรื่องของสมุ ท, ทยัยเป็นเรื่องของการผูกการมัดมัดอะไรมัดอยู่ในกองทุกข์ทุกเกิดทุกแก่ทุกเจ็บ ท, ทุกตายมัดอยู่ใน in ก, อ ง, น อ, กองสังขารเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายมัดอยู่กับอันนี้จังทุกขังอนัตตาขึ้นชื่อว่ากองสังขารแล้วต้องมีลักษณะสามอย่างให้ปรากฏอันนี้จังไม่เที่ยงทุกขังทอนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ อนัตตาเปลี่ยนไปบังคับไม่ได้อันนี้จงบังคับให้เที่ยงก็ไม่ได้ทุกครั้งบังคับให้อยู่ให้อยู่เท่าเดิมได้ไหมบังคับไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตามหลักตามกฎตามเกณฑ์ของก่อสังขารแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวที่มีอยู่ในใจในพระไัยของพระพุทธเจา้าสามารถเจาะทะลุทะลวงเข้าไปได้โอผู้รู้มีหนึ่งเดียว กำหนจิตผูรู้ให้มีหนึ่งเดียวเห็นทุกเห็นโทษกับรูปธรรมเห็นทุกเห็นโทษกับนามธรรมนามธรรมเป็นสองเป็นกองสังขารเพราะมีกิเลสตัณหาอาสวะเข้าไปเกี่ยวข้องหาเกิดขึ้นตามหลักธรรมชาติเองไม่มีใครสร้างให้เราไม่มีใครทําให้เราเกิดขึ้นตามกฎตามเพียนของหลักธรรมชาติเพราะเรารู้ไม่ได้ว่าถ้ารู้ของเราเนยมันปรุงประกอบมาอย่างไรเรารู้ไม่ได้เราเรารู้แต่ว่าเรามี เรามีมาแล้วคือธาตุรู้คือผู้รู้หากมันมีตัวพลังที่ทําให้เราต้องดิ้นรนเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิไปอยู่ไม่จบไม่สิน้นก็คือความอยากตัณหาคือความอยากพูดอย่างนี้เราจําได้อย่างเดียวข้อเดียวคือความอยากแล้วก็มาแยกอีกทีว่าความอยากอยากเพื่อดับทุกข์ก็มีแบบนี้เ้าเรียกว่าอยากด้วยอำนาจของความของมาก ยาเพื่อสร้างทุกข์ก็มีคือสมุทัยความอยากอันหนึ่งนําทุกข์นาโทษมาให้เพราะสร้างไปแล้วเราทําไปแล้วนําทุกข์นำโทษนำภพนําชาตินําเกิดนําแก่นําเจียมนาตายมาให้แต่ความอยากอันหนึ่งเป็นข้อปฏิบัติเพื่อสงบระงับดับสิ่งเหล่านี้ดับความทุกข์ดับกองทุกข์อันนี้คือมรรคคือข้อปฏิบัติคือทางดําเนิน เราตั้งใจปฏิบัติจนเป็นเองตั้งใจปฏิบัติจนเป็นเองคำว่าเป็นเองหมายความว่าเกิดความรู้อย่างยิ่งยวดแต่เราจะเทียบเปรียบเสมือนไฟก็คื อ, อสมประสงค์ที่เราตั้งใจถูไม้ให้เกิดเป็นเปลวฟับขึ้นมาเป็นเปลวไฟในระหว่างที่ยังไม่เป็นเปลวไฟ เราวก็ขัดสีอยู่นั้นเน่ยฮามันสังสมความร้อนในตัวของมันพอถึงที่ปั๊บลุกขึ้นมาแฟบเป็นเปลวไฟนี่คือจุดประสงค์การที่เราเสียให้เกิดเป็นไฟการที่เราใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาพิจารณาขัดสีอยู่นี้เท่ากับเราสีไม้ให้เกิดไฟพอไฟติดฟกสติปัญญานี้ท่านเรียกอีกอันหนึ่งว่าปัญญาญาน หรือวิปัสนาวิปาาัสสนาญาณมันเป็นความรู้ชั้นยอดเยี่ยมที่จะทำให้เรารู้เท่าทันกองทุกกองโทษก อ, องท่านกองขันถึงขั้นเด็ดขาดปลงใจเชื่อเต็มร้อยปล่อยละวางกิเลสตัณหาตามชั้นกาภูมิท่านจึงว่าพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอาหารหันเลิกพระิกรรม โดยลำดับชั้นเลิกยึดถือว่ากายเป็นดาเราเป็นกายเพราะเข้าใจทั่วถึงแล้วว่าโอ้มันไม่ใช่กายเราเราไม่ใช่กายกายไม่ใช่เราเราไม่มีกายกายไม่มีในเราเห็นอย่างชาัดเจนด้วยความรู้ด้วยปัญญาละเอียดจนใช้ ท, ท่านใช้คำว่าญาณญาณทัศน์ญาณทัศนะคำว่าญาณทัศนะทั้งรู้ทั้งเห็นเอาอะไรไปรูปเห็นเอาปัญญา ก็เหมือนอย่างที่เปลวไฟมันเกิดขึ้นอ่ะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะการสั่งสมไฟความรู้ความเห็นที่เราขัดเกลาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาขยับไปขยับมาดูไปดูมาตั้งปัญหานะก็คลี่คลายตั้งปัญหานะก็คลี่คลายตั้งปัญหาแล้วคลี่คลายศึกษามาธิกายจนเข้าใจชัดเจนโอไกสักแต่ว่าเป็นธาตุเป็นขันธ์ไม่ใช่เราไม่ใช่ขอของเรา ไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราปรองใจเชื่ อ, อตัดเกลียดอนุยัยให้จิตให้จิตแนวอยู่กับอารมณ์นั้นๆละได้ปอหนึ่งยังเหลือความโลภอย่างอื่นที่ยังไม่จบยังเหลือความโกรธตามมาปฏิบัติไปจนบรนเทาอีกถึงขั้นที่สองถึงขั้นที่สามถึงขั้นที่สี่ ปรองอนิจจังทุกขังอนัตตาได้หมดเต็มร้อยปรงใจได้เต็มร้อยจิตบริสุทธิ์หมดกองสังขารจิตดวงนั้นหมดกองสังขารเหมือนพระบุทธเจ้าเหมือนพระดานสาวกจิตของท่านหมดกองสังขารเหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวหมดความพลิกผันที่จะต้องหมุนไหวยในวัฏสงสารไม่ต้องประเกิ ด, กดไปแก่ยวไเจ็บไปตายมีปัญญามีพระปัญญารู้ทะลุปลูกปลงทั่วถึงไปหมด ไม่มีกองสังขารเที่ยงอยู่อย่างนั้นไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาภาวะของผู้บริสุทธิ์หนึ่งเดียวนั้นดำรองอยู่ในโลกไม่ได้หายสูญไปจากโลกเพราะเราโลประธรรมเราเอาโูปสิ่งที่เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟมาเกิดมีอยู่ประจำดั่งเดิมอยู่ในโลกมาเกิดนมามธรรมทึ่เป็น น, นมามนามธรรมคือผู้รู้ นี่เอาของที่มีรัางเดิมอยู่ในโลกมากเกิดเมื่อชะล้างบริสุทธิ์เหลือหนึ่งเดียวแล้วก็ยังค้างอยู่ในโลกไม่ได้หาพี่ออกไปไหนม่นหอยู่อไปไห น, ไไ ด, หไไหนดำรงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตการนี่ปัญญาการสอดส่องพปที่ใจของเราจิตคือผู้รู้เรามีจิตเรามีผู้รู้สติก็คือความระลึกของผู้รู้นั่นแหละ เกิดจากเกิดจากจิตนั่นแหละที่เรียกว่าสติละเลิกละเลิกละเลิกละเลิกรู้ละเลึกรู้ละเลิกรู้ละเลึกรู้ปัญญาก็คือความกระดกดิบวิบแผลของจิตของรามาสอดมาส่งมาดูมาแรเพื่อแหวกหาของจริงของแท้ที่จะเรียกว่าสัจธรรมสัจธรรมจนสามารถรู้เห็นสัจธรรมขั้นมูลฐานแห่ง แห่งวัฏฏะสงสารได้จิตถอยออกถอยออกถอยออกถอยจนหมดปลดเรื่องกันหมดลดละวางจนหมดเหลือผู้รู้หนึ่งเดียวหมดกองสังขารพ้นทุก พ, พ, พ้นโทษไม่ต้องมาบนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารท่านจะอยู่ตามภาวะของท่านไปดารงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอันันตการอ่ทาทนร้อน พูดให้ท่านเป็นนี่ฟังเท่าที่เข้าใจนะพูดได้เลย <laughs> ทำเป็นนี่เขาไม่รู้เรื่องดอกท่านลาเขาฟังอืมช่วงไหนมีเวลาก็ลาวเขาฟังนะ อ, อ่าวันนี้ก็เอาแค่นี้แหละมีไหมใครมีปัญหาอะไรไหมฮะพวกนี้ทิฏฐีก็ให้ไปสวดที่บ้านห้าองค์พวกนี้เขาอยากให้เราไปด้วยใช่ไหมครับผมไปทำไมอ่ะ ปเทศอีกปไปเทศได้แม่ฟังทั้งแม่ทั้งน้องอเป็นหมดทั้งครอบครัวแล้วไอ้จำไม่ได้คือบอกเห็นอ่ะไม่มีใครพามาก็เลยไม่ได้มาาต้องจงมาก เ, เนี่ย ก็นี่เลยเราดูติมีอะไรอยู่เท่าเดิมมีอะไรอยู่เท่าเดิมไม่มีอะพวเราโมแต่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวมีกําลังวังชามีเรี่ยวมีแรงไม่บ้าบ่ายวิกลวิการไม่อมัอมพฤกอัมพาตโมแต่ประมาทนิ่งนอนใจนะโอเวลามันมารุ่มมาตมมันทุกข์ขนาดไหนเราดูติเจ็บใครได้ป่วยสักคนเดียวเนี่ยหมด ครอบครัวอะแรล่ะเจ็บไข้เจ็บจป่วยคนเดียวหมดครอบครัวอะไรล่ะถ้ามีอยู่มีกินมีใช้มีสอยก็พอทําเนาถ้าเกิดต้องหาวันรับประทานวันด้วยแล้วจะทําไงอันไหนจะเจ็บจะป่วยอันไหนจะไปทํางานไม่ได้อันไหนข้าวสารก็จะหมดอีกอ่ะอันนู้นก็จะหมดค่าน้ําก็ไม่มีค่าไฟก็ไม่มีตาย ความทุกข์สารพัดทุกจากเกิดแก่เจ็บตายนี่ก็พอแรงแล้วทุกที่มันจรมาจากอารมณ์ที่มันไม่ประสบผลตามที่เราหวังทุกคนคาดหวังต้องเราต้องเราต้องสุขต้องสุขต้องสุขต้องสุ ข, ตสขแต่มันไม่ได้เป็นไปนตามใจหวังเพราะการที่เราจะต้องได้รับอันนี้จังทุกขังหน้าตาต้องเปลี่ยนแปลงไปนีปนนะ่มันเป็นกฎธรรมชาติแต่ใจที่มีกิเลสนั่นแหละมันไม่ยอมเข้าใจหรอก มันยึดถืองานแหลมกระทุ้บอยู่อย่างนั้นแหละนะผู้ที่ท่านปล่อยได้ท่านรู้ท่านเข้าใจท่านก็ปล่อยได้ท่านก็สบายท่านก็เบาสบายได้เป็นเปล่าเป็นเปละเป็นเปลอาไปพวกเราอยู่ท่ามกลางที่เรามาค้นหาสิ่งเหล่านี้เรามัวแต่ปล่อยมันเวลาให้ล่วงไปเราก็เสียเงินเสียเวลาเปล่านอกจากเสียเวลาแล้วก็ยังอายุขของเราก็ไม่ใช่จะอยู่เท่าเดิมล่วงไปล่วงไปล่งไป จากคนที่นานๆเจอกันสักทีหนึ่งโอ้ยแก่แล้วโอ้ยผมงอกแล้วฟันหักหมดแล้วนังเหี่ยวย่อนหมดแล้วดูสิบางคนแทบดูไม่รู้จักเลยเพราะอะไรเพราะไอความไม่อยู่เท่าเดิมของคนนี่แหละระยะเวลาเหลือสั้นต้งสั้นต้งสั้นต้งสั้นต้องสั้นตงพอยิ่งอยู่นานวันเข้าไป ไอ้วันเวลาที่มันจะไม่อยู่เนี่มันสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงคิดมาจะคิดดูที่นี่พูดๆเนี่ยเจ็ดสิบปีแล้วน่ะเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่สั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงนู่นแม่ลื่อนอ่ะเท่าไหร่แล้วน่ะเท่าไหร่ฮะเจ็ดเจ็ด แปสิบเบีดแล้วเห็ไหมั่นนั่นเพราะก็ต้องแปดสิบเบีดแล้วเนี่ยเห็นไหมนะเรเหลือสันงสันลงหาใจฟอดฟอดหาใจฟอดฟอดดูไอตอนที่มันทาอะไรไม่ได้ทอให้ตอน ไ, นอนไนที่มันหยุดทางานน่ะมันก็นั่งมันก น, นอนอา ป, ปากปแงปอแงมเสร็จแล้วก็อยู่ไม่ได้นก็ทิ้งไปอ่าไปอี ตามบุญตามกรรมตามบุญตามกรรมนี้ไม่ใช่ตามใจต้องฝืนกิเลสตัณหาคาว่าตามบุญตามกรรมนี่มันไม่ใช่ตามใจตามใจปล่อยเนื้อปล่อยตัวตามใจชอบของฉันอะไนี้คือตามบุญตามกรรมตามบุญตามกรรมก็คือตามอำนาจกิเลนั่นแหละกิเลสในใจนี่มันไม่เคยปล่อยให้เราอิสระหรอก มันดึงไปหมดเป็นเนื้อเป็นหนื้ของมันทั้งหมดทำมันนะกับวิ่งตามมันทําวันนี้ก็วิ่งตามมันกระซิบกระซาบอะไรมาโอ้ยครังยิ่งกว่ามนวิเศษวิ่งตามมันไต่ไต่ยต่ยต้อยปวดเส้นนี่วันนี้เอา ไอ้แผ่นเกาเอะอะไรที่มันใส่มาช่วยแก้ปวดเนี่ยข้างบนสองแผ่นตรงน่องในสองแผ่นตรงที่มันปวดตุกตุกตุกตุกตกหนึ่งกลายเป็นว่ามันดักความปวดไวไหมไอ้เกียรติพอเราไปรื้อออกอา้าวกลายเป็นเบาไปเลยนะมันเหมือนกับมันมันแสดงตัวไม่ได้ ท, ทั้งข้างบนทั้งข้างล่างพอเราไปดึงออกหมดเนี่ย แนเกาเอี๊ยเนี่ยที่มันแก้ปวดเนี่ยพะมันดึงออกหมดอบแต่ความปวดที่เคยรุนแรงเบามันแสดงตัวไม่ได้หรือยังไงมันเหมือนเหมือนถูกอะไรมันทึบมากดมันไปมันก็ยิ่งปวดโเมื่อกี้เดินเกือบมาถึงกุฏิอ่ะพอเราดึงออกดึงออกไปนั่งที่มันแป๊บเดียวนั่งบันเทานั่งบันเทาปวดนั่งได้ที่ได้จังหวะไม่ปวด แต่ตักยืนปั๊บเดินปั๊บเนี่เอาเลยเนี่ยเส้นที่มันเคยพิการมาเมื่อกี้จนได้อดนึกถึงหมอสมบูรณ์ไม่ได้มันกินเนี่ยโทรไปแล้วบอกเกียรครับพอวผมเบื่อทั่มเอาต่อไปไนเียวทั่วกับเออไมูดแลโอ้มันหลับสายเ่อถ้าเปิดถ้าเื่อเพิ่นโทม ล้มาก็บอกโอ้ยเส้นมันกำเริบอีกแล้วถ้าเป็นอย่างนี้จะเดินไม่ได้แล้วนี่ <c ười> บอกแค่นี้แหละแต่ถ้าเพื่อมันเ่าอย่างนี้ยังไม่ยังเป็นอแต่ถ้าเหมือนตอนที่เราลงจากรถนี่โ อ, อ้เพราะว่าเราเอาเก่าเอียนไปปิดไว้ไอ้ตรงที่มันปวดตึกตึกต๊กตึกต๊กเนาะมันเหมือนไปอั้นมันไว้นะอ่ะอืมปวดเส้น กันอี่มันอยู่เท่าเดิมไหมมีอะไรอยู่เท่าเดิมนะเราโมจะมาเพลินสุขสบายอยู่เนี่ยเวลาเราไม่เป็นจะไม่รู้เรื่องนะไม่มีความสำคัญดอกลองเจ้าของเป็นเองเรารูนู่นน่ะนั่นแซมน่ะจะเป็นจะตายอยู่น่ะใครรู้เรื่องด้วยนะ ต้องทำไมต้องเป็นเรานั่นละ่ะร้องโอ้โอนะ๊ะต้องอย่างนั้นน่ะแล้วเป็นไงอยู่สบายแล้วน่นะนะสบายเลยอยู่กับสิ่งเหล่านี้แหละยิงเจ็ดสิบหกสิบไปเจ็ดสิบไปในอยู่กับยานะอย่าลืมนะอยู่กับยา รุ่นใครนี่ยนั่งนั่ ง, งใค ร, อ, นนครอ๋อรุ่นเหรเอเอ้เราคิดว่าไอ้เด็กอยู่ที่คอนแก่นเนี่นอนมนมรุ่นเนี่นมขึ้นเนาะมาจากสำนักสงงนครับเอ่อญาติม่นอนจะะอ้ะคเออแล้วไปไปทุกวันพระไหมทวเออเราต้องเสส่งเสริมส่งเสริมหมูด้วยอหลัปุต ใหญ่คนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนาสาวส่งเสริมเขาด้วยเราเป็นคนหลักพอเราพอเรานําเขาเขาก็มองเราไะเขามองเร า, เ า, เราคนเรานิสัยอย่างอยากันมีนิสัยเอาอย่างโอ้ยเขาทำหากินขณะนี้เขายังจะยังไปได้ยังเสียสละไปได้แล้วครับยิ่งพูดยิ่งอะไรให้เขาเข้าใจด้วยแล้ว มันเป็นหมูเป็นพวกชวนชวนเอาบุญไปก็ดีไม่ไปก็ดีไปไปก็ดีไม่ไปก็คือเราไปก็ดีนี่มันได้บุญมาสดับรับฟังพระธธรรมเาสนาที่สูงยิ่งยิ่งขึน้นไเจตนาอย่างนั้นเพาะอย่างนั้นมันค่อนข้างจะโ ย, ยกต่อสภาวะชวนที่ทานชวนที่เที่ยว ชวนให้กินชวนกินชวนเที่ยวไม่ไม่เข้าสู่การติดใจใช่ใช่ถ้าลึกจริงเขาก็ถอยกันหมดก็ก็ก็ถ้าลึกกินเขาถอยหมดเราก็เอาให้เขาเพินนในวันฉนไม่ใช่เรื่องลึกเรื่องตื้นเป็นเรื่องของเราแต่เราที่ชวนเขาเราจะชวนเขาเนี่ใครอยู่ระดับไหนก็คือระดับของเขา เราสามารถไปต่อยอดให้ได้หมดไม่ใช่เราต้องปรับตัวให้ให้ต่ําลงแต่พฤติกรรมที่เราทําได้เราแสดงได้แล้วพุทธเจ้าท่านจะไปเล่นเหนือกับตาศีตาสากับอะไรต่ออะไรท่านไปพูดคุยไปเทศไปสอนไปอะไรได้หมดเวลาท่านเทศแต่ละแต่ละกันแต่ละกันนี่กันนะ คนจะได้คุณสมบัติไม่เท่ากันคนนี้ขยับขึ้นมาระดับนี้คนนี้ขยับขึ้นมาระดับนี้คนนี้ขยับขึ้นมาระดับนี้ขยับขึ้นมาระดับนี้คําพูดเดียวกันกับคําเทศคําสอนอันเดียวกันถ้าผมนักธนิมนุ่เจ้าระดับอริยะบุคคลไปเขาก็ตั้งใจฟัง <ส><ง>ฟังไม่เข้าใจวัน ไ, ไม่รู้เรื่องเออฟังเช่าเร่ท่านบอกเป็นวันที่เท่านั้นไม้อลยมันประมาณอเออมันก็มันก็ได้เหมือนกันนะมันก็แปรเหมือนนะเรื่องของโรคทีโีเลโลกธรรม น, นี่มันก็ได้เหมือนกันนะโอยอย่ามาแตะเราเลย ทำลกตาแท้ๆเนี่ยฟังไปฟังมีหลายระดับระดับนั้นก็มีเยอะระดับชอบแต่เนื้อหาของอัดทาล้นๆก็มีเยอะระดับสอนมารยาทพื้นๆก็มีเยอะระดับสอนการทำอาหารกินอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีเยอะที่ความคณะขึ้นไปจา้างก็เพื่อว่าเพื่อ ใช่มันเป็นบุญของเรายิ่งเราเป็นเที่ยวแรงเราไม่ปล่อยด้วยแล้วมันเป็นบุญของเราอยู่ที่วัดบ้านก็ประมาณนั้นะมันตันให้ควว้าทบ้าก็มันตันมันตีบตันใช่แก็รู้สึกว่าจะจะเอาลิงไปปล่อยปามากกว่าผมก็อ่อนใจเหมือนกันอยากให้ยกระดับจิตขึ้นไปอีกใช่ถ้าเราเข้าใจแล้วเราอยู่ คนที่พระไก้ขึ้นไปเรามันเป็นปล่อยไก่สุงมากถ้าเราเข้าใจแล้วเราเข้าใจแล้วเราอยู่ที่จอยแจวุ่นวายก็ได้เราอยู่ที่สงบเงียบอยู่ป่าอยู่เขาก็ได้ปล่อยใจดวงเดียวแต่บรรยากาศยังไงสะดวกบรรยากาศยังไงสบายเรารู้เอง อมอใช่มันเอกเทศ ป, ปลูกป่าปลูกนู่นปลูกนี้ปลูกอะไรเสริมเข้าไปน้ำสะดวกั้ยน้ำสะดวกครับผมน้ามีแหล่งและดูดมากเลยผมก็จอบน้ำปบาดาลจากชั้นล่างเอามอเตอร์สั่<อ>งคืนแล้ ว, แ ล, วแล้วมีไฟอ่ะไฟก็ขอใช้กับ ท่านกำนันสวัสดิ์โอไม่ไกลเนาะยองไปก็ได้ประมาณสักห้าร้อเมตรอ๋อตอนนี้ก็ขอไฟทางสายไฟ้าไปใช้500เมตรก็ได้ครึ่งกิโลขอไปได้แต่ของเราหนึ่งสกิโลเราตอนนี้เรายังไม่เอาเราคอยให้มันมาข้างหลังนี่ก่อนเนี่ยบางทีมันอาจจะแอบมาข้างหลังวัดก็ได้โซลาเซล อ่าต้องใช้ต้องใช้หม้อแปลงหกพันวัตต์เ <spilled> นี่ยสรลเล์เมื่อก่อนใช้ไม่พอใช้หมดตอนนี้กูบาเพิ่งนแผ่นเอาแผ่นมาเพิ่มอีกเอาหม้อแปลงตัวใหญ่มาเพิ่มให้ถ้ามีบุญวันสนาก็คงจะได้มาพัฒนานวมไก่ตัว อ, อีกสักรอบเอาแค่รอบเดียวแล้นั่นแหละนะเพราะว่ามันคนหูหนาไปฟัง เนี่ยพวกนี้ไอ้ตีที่ตีเนี่ยเขาในมวนให้ไปเราก็นึกโอ้พอที่ตีมาในมวนเราก็นึกถึงพ่อของเขาก็ไม่ปกติแม่ของเขาก็าพิการน้องชายก็พิการอที่เปรี้ยงเดียวกันนั่นหมดทั้งครอบครัวนั่นเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันอยู่ไอ้น้ามันอยู่มันก็มาทํางานช่วยขับนู้นขับนี้ขับรถรับส่งพระเอยอะไรต่อะไรเอย ก็เ่จะเป็ น, ปนอคอบครัวเราปรับลงบนนั่นแหละมันจะมีอะไรอยู่เท่าเดิมเวลามันเปลี่ยนไปอย่างนี้ก็โอ้ดูดิเปลี่ยนไปหมดเลยตายเลยเรายังพอเป็นพอไปยังหายใจได้สะดวกแล้วก็เสียดายเวลารักษาเวลาเอาไวา้โอกาสที่คนจะมองเห็นคุณ คุณค่าก็มีมีน้อยมองเห็นอย่างอื่นเพลินไปอย่างอื่นเพลินไปในวัตฏสงสารเห็นแล้วมันเพลินเพลินไปจนลืมลืมหมดแหละแล้วรู้เราจำไม่ได้เราคิดว่าทิศอะไรนะอยู่คนแก่นนะ่ะที่มาข้าแม่นะ่ะที่อะไรนะนะที่อะไรทิศ เบสเลยทไรนะฮะไม่ใช่เบนมากับหมูกับเบนอะอะไรเบสเบสที่เขาไปเรียนเนอน่ะนะไปเรียนเนใช่ไหมมันไปเรียนเนที่ว่าสามสี่ตัวเพิ่งได้หนึ่งตัวน่ะนะกันไม่ใช่กันไม่ใช่ที่มาคู่กันกับวันนั้นอะกันแอะเบสกับไอ้เบนน่ะ อ๋อปีหน้าหลักหกแล้ ว, อล ว, วอลอโ อ, <c oughs> โอ้เราในหลักเก็ดแล้วเนี่ยนี่เราหลักเก็ยนี่ดีแล้วเราขนาดนี้เราตั้งเนื้อตั้งตัวได้ขนาดนี้สมากินก็พออยู่พอเป็นพอไปอะถึงแม้ว่าเราจะปลีกเวลาไปทำบุญให้ทานเราก็ยังพอหายใจได้สบาย เี่ตัว้อกอยกกับก็ดูที่ <c oughs> ก็ดูแล้วเช้าตื่นลืมตาขึ้นมาก็มีอะไรมีแค่นั้นเองเช้าตื่นลืมตาขึ้นมาก็คืออะไรเองมีแค่นั้นเองเช้าตื่นลืมลืมตาก็มีแนั้นเองสิ่งที่ดีที่เลิศกว่านั้นไม่มีได้มาได้มามากๆได้มามากๆเอามาใช้อะไรได้มายังนีมันจะพอแต่ถ้ามันได้มาด้วยอำนาจของความ ทันหาเนี่ยมันไม่พอได้มาเท่าไรก็ไม่พอได้มาเท่าไรก็ไม่พอเอาเกินพอพอเพียงพออยู่พอกินพอเป็นพอไปเอาเวลาส่วนอื่นเป็นเรื่องของการสร้างรากฐานให้กับชีวิตกับก จ, จิตใจชีวิตกับก จ, จิตใจตรบาบใดที่เรายังมีจิตใจอยู่เราจะต้องมีชีวิตชีวิตนี้หมดมันก็จะต้องไปเสะาะหาชีวิตใหม่ อย่างน้อให้ได้สิ่งที่ละเอียดสิ่งที่ประณีตสิ่งที่ดีเลิศสิ่งที่ดีนะสมกับความอยากที่ทุกคนอยากดีอยากได้ของดีอยากได้ของเลิศของกระสือ